นี่นละรู้ตัวอย่างนั้นนะพี่เลยน่าเกลียดรแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องความฟุ้งฟานหลังเลสงใส่นะครับก็คิดว่าคงจะต้องตัดให้หมดเพราะแดเดือนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะครับมันตัวนีค้คือมันทำให้ผมตกจากคอใตไตกระไดขึ้นไปขั้นที่เจ็ขั้นที่แดแล้วพอเราไปสงสัยว่า Lisa ไอ้ขั้นนี้มันชื่อเรียกว่าอะไรมีลักษณะยังไงแล้วมันก็เลยกิ้งตัก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 กลับน้ำมการจะใครเบอร์7จ็ดสแล้วมาทางนี้ใครนาะหกสิบหกเหไหมแล้วก็นนวลเดี๋ยวที่เหลืออย่าเพิ่งยกนะที่เหลือยกเราจำไม่ไหวหรอกกลั <S <S บน้ำมศการของพ่อคะ่ะเออคราวที่แล้วมาส่งกันบ้านเน่ยทีฉันเป็นคนที่ชอบเดินภาวนาคะ่ะคราวที่แล้วมาน่ยมาบอกหลวงพ่อว่าเดินเนี่ยเห็นโครงกระดูกมันเดินไปเดินมา ลหลวงพ่อเมตตาบอกว่าขันมันแยกออกมาให้ดูตามที่เขาเป็นพอกลับไปดูต่อเนี่ยช่วงแรกมันก็ยังเป็นกระดูกของเราค่ะแต่พอดูไปดูมาน่ยดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่มันเดินเองทําเองทุกอย่างพอเห็นอย่างนั้นแล้วน่ยมันได้ไปเห็นถึงความไม่มีของร่างกายค่ะมันไม่มีอะไรเหลือเลยอะค่ะพอมองไปตับไตไส้พุงอะไรมันก็ไม่มีดิฉันก็เดินต่อเดินภาวนาแต่อาศัย ความรู้สึกที่ร่างกายมันเคลื่อนน่ะคะ่ะแล้วก็คอยดูกายดูใจตอนที่มันเปลี่ยนแปลง<ม>อยากจะกลับถามหลวงพ่อว่าเราเห็นอย่างนั้นเป็นการเห็นถูกไหมคะเห็นถูกสิ <c oughs> นะคือการภาวนานะเราต้องทํางานเราเราจะทํางานอะไรเราก็ต้องมีเป้าหมายการภาวนาก็มีเป้าหมายนะเป้าหมายที่หนึ่งเนะี่ยให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผนะู <c oughs> ้ที่มาถึงเป้าวันนี้ก็เป็นพระโสดาบันได้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 โกรธชอบไม่ชอบยินดียินร้ายนั่นแหละโกรธก็โทสะละือยกอย่างอื่นะเป็นเราไม่ต้องแยกอย่างเขาใช่ไหมคะมันต่างกันที่ชื่อเท่านั้นเองอย่างเขามีโทสะเรามีโมโหเขามีราคะเรามีชอบะมันก็ตัวเดียวกันแหละมันคนละยี่ห้อเท่านั้นคนละชื่อเท่านั้นเองเราดูแบบยี่ห้อเรานะคะเราเรียกแบบของเราแหละค่ะเรียกมันหกิกมันก็ยุกกระยิกเนี่ยเรียกอะไรก็ได้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 งั้นเราก็รู้กายอย่างนี้แหละเป็นฐานไว้น ะ, ะแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคุณก็เห็นอยู่แล้วค่ะเรียกชื่อไม่เป็นก็ช่างมันปไปเละเห็นอยู่แล้วนะดูอย่างนั้นทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําได้ถูกต้องและขอบพระคุณเจ้าค่ะเบอร์หก <66. 66. S 2> สิบหกหกสิบหกนมาสการพระอาจารย์ครับเมื่อวานอาทิตย์ผมมาส่งกันบ้านเรื่องร้องเพลงนะครับแล้วก็พอหลังจากกลับไปแล้วครับมันเกิดขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับ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 คือความเข้าใจเล็กๆของผมนะครับที่เพิ่งเริ่มมาศึกษาธรรมะทุกก็คือตัวขันห้าใช่ไหมครับใช่สมุทัยเป็นเรื่องของการเกิดในการเกิดในสังสารวัตสมุทัยคือตันหาอาศัยตันหาก็สร้างภพการเกิดในสังสารวัตรเรียกว่าภพครับแล้วพอนิโรดก็คือการไม่กลับมาเกิดในสังสารนิโรดก็คือความปราศจากตันหาปราศจากภพมันก็จะไม่กลับมาเกิดปราศจากขัน แล้วก็มรคครับนะมรคนะครับ <S <S คืออย่างนี้คุณจะมาเรียนอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่หครับคือผมแค่ความเข้าใจว่าคือเมื่อไหรเอางี้ทุกสมุทัยนิโรธมรคเนี่ยเวลาเกิดนะเกิดในขณะจิตเดียวกันในขณะจิตใดที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งในขณะจิตนั้นจะละสมุทัยในขณะจิตใดที่รู้ทุกข์ละสมุทัยในขณะนั้นแจ้งนิพพานแจ้งนิโรธในขณะจิตที่แจ้งนิโรธนั่นแหละเรียกว่ามรค เป็นขณะจิตที่อริยมรรคเกิดขึ้นครับงั้นในขณะแห่งอริยมรรคเนี่ยนะเป็นสภาวะซึ่งรู้ทุกขละสมุ ท, ทยัยแจ้งนิโรธขึ้นมาพร้อมๆกันเลยไม่ไม่ได้แยกเป็นส่วนๆ น, นะวันนี้รู้ทุกข์พรุ่งนี้ละสมุ ท, ทยัยมาลือนแจ้งนิโรธเลยมนเรื่องเกิดอริยมรรคไม่ได้เปลี่นอย่างนั้นหรอกครับองงานมีอันเดียวคุณรู้ทุกข์ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยก็คือรู้ขันรู้ขันห้านะขันห้าให้รู้นะของคุณยังไม่เห็นหรอกว่าขันห้าเป็นทุกข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 อังคารผมไปที่สำนักส่งโพธิญาลังสีแถวบุญยวาฒนเดิมทีกลับปฏิบัติแต่ก็แค่ๆมันก็มีความรักสุขรักสบายก็เลยก็เลยขอทัด ก, ก็เลยยังไม่ได้เข้าปฏิบัติอย่างผมนี่ควรจะดัดนิสัยด้วยกันไปปฏิบัติที่ลำบากลำบากหรือเปล่าครับควรนะนิสัยไม่ค่อยดีต้องดัดต้อไปลำบากหน่อยนะใจเรามันจะรักสบายครับไปแกล้งมันบ้างไปหัดภาวนาในวัดป่านะครับดี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 ในความเป็นจริงก็จิตลงรวังทั้งวันอยู่แล้วเวลาจะเปลี่ยนอารมณ์แต่ละครั้งค่ะ <c oughs> แต่เราไม่ค่อยเห็นมันเล็กๆ <c oughs> ดีที่เห็นแล้วก็พอพ อ, พอผ่าตัดเสรเนี่ยตอนที่พอมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพอจิตมันรู้สึกตัวปุ๊บมันวิ่งไปที่ทุกขเวทนาทันทีทันใดเลยห <c oughs> ลวง่อแบบมันดูอะไรมันแทบจะไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่ามันเห็นตะปดูดปวดปวดปวดแล้วก็หนูก็พยายามในนั้นพยายามจำไดกว่าโอ้ยเนี่ยหลวงพ่อต้องดูยังไงต้องดูยังไง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 อยู่ดีๆเนี่ยอจิตผู้รู้เนี่ยเขาเขาไม่ดูอันนั้นแล้วฮะเขาไปดูไอ้กระแสของของสภาวะที่สิ้นไปสิ้นไปของอของพวกนี้มันสิ้นไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับตรงนั้นนะจิตพลิกจากสมถะมาขึ้นวิปัสนาขึ้นวิปัสนาแล้วใช่ไหมใช่น เ, นเองเลยและจิตตรงนั้นก็เป็นอสังขาริ ก, กังเลยใช่ไหมใช่เป็นเองแล้วทีนี้พอดูต่อไปเรื่อยๆนะฮะคล้ายๆกับว่ า, าคําพูดอะไรไม่มีทั้งนั้นฮะไม่มีวิถก เวลาขณะที่เปลี่ยนชาจากจากชาสามเข้าไปถึงชาสี่เนี่ยนะไอต้ตรงนั้นนะ่ะสภาวะสุขมันก็จะหายไปแล้วก็เหลือแต่อุทมาสุขแต่ปรากฏว่าผู้ดูเขาก็ยังคอนเซนเทรตกับสภาวะการสิ้นไปอยู่อันเดียวอ่ดีแล้วละายกว่าเหมือนกับว่าอารมณ์พวกน้ำนั่นเป็นอารมณ์ที่มันฉายผ่านไปต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่เอาเข้าไปเอา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 แล้วรู้สึกว่าอตอนนั้ น, ม, นมันมีความสุขนะครับที่ได้ไปเห็นอย่างนั้น <Ừ. S 1> มันมีความสุขแล้วก็เวลาที่สักพักใหญ่ๆนะชั่วโมงกวา่าๆบางทีมั น, ม, นมีไอ้ใจมันไอ้กิเลสสมานมันเข้ามาดึงแวบออกไปนะฮะ <Ừ. S 1> มันก็รู้ทันควันเหมือนกันนะฮะ <Ừ. S 1> แล้วพอรู้ปั๊บมันก็หายหน้าไปเลยแบบนั้นหลวงพ่อเมื่อก่อนที่ภาวนานะที่ตกกลางคืนที่บอกว่ากลับมาบ้าน นั่งสมาธิอะไรเนี่ยเดินจงกรมอะไรเนี่ยส่วนใหญ่นั่งนั่งก็จะดูอย่างเนี้ยครับดูมันทํางานครับเห็นแต่มันดับไปดับไปสลายไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่ามันทํางานของมันเองนะถ้าดูไปเรื่อยๆจนมันพอนะมันตัดของมันเองครัล้ายๆตอนนั้นอารมณ์อื่นเขาไม่เอาแต่ก็รู้อยู่ว่าเห็นมันเหมยฉายผ่านไปอย่างนั้นนะแล้วมันไม่มีอารมณ์ไม่มีบัญญัติแทรรกคับมันไม่มีคําพูดมันไหลไหลไหลไปทําไมมัน คำพูดมันหายไปเพราะวิตกพิจาร์ดับไปแล้วนะมันตัวตัวรู้มันเลยเด่นดวงขึ้นมานี่พอปีติดับลงไปใช่ไหยความกระเพื่อมั่นไหวก็ไม่มีเราก็เห็นอยู่ที่จิตที่ใจที่ทํางานอยู่างเนี้ยนั่นด้วยอย่างมีความสุขพอรู้ทันลงไปนะถึงจุดหนึ่งก็เป็นอุเบกขาเป็นเอกคตากับอุเบกขาอยู่จิตตรงนั้นตั้งมั่นมากเลยครับจิตมันทรงอยู่อย่างนั้นแล้วมันไปเจริญปัญญาอยู่ในฌานที่สี่ครับแล้ววันนั้นรู้สึกว่ามันก่อนที่จะเข้าเนี่ยมัน มันก็มีตึงหัวนะฮะมันมึนหัวแต่ปรากฏว่าประเดี๋ยวมันสองชั่วโมงประเดี๋ยวได้ยวไม่รู้ไอไอมึนหัวหายไปไหนหมด <c oughs> การภาวนามันมีหลายแบบอันนึงใช้สมาธินําปัญญาทําความสงบก่อนนะพอจิตถอนออกมาแล้วมารู้กายรู้เวทนาไป อ, อีกอันหนึงใช้ปัญญานําสมาธินะ ดูลงปัจจุบันเลยดูจิตดูใจมันทํางานไปเรื่อยจิตตานุปรัสนาเนี่ยใช้ใช้ในชีวิตประจำวันดูไปได้ครับ อ, <c oughs> อีกอันหนึง่งใช้สมาธิและปัญญาควบกัน <c oughs> อย่างที่คุณดําเกิงทำนะํำจิตเข <c oughs> ้าชาญไปนะพอพ้นฌานที่หนึ่งไปแล้วจากฌานที่สองไปเนี่ยมันเพิกวิตกวิจารณ์ไปแล้ว <c oughs> มันจะเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเกิดดับไป <c oughs> แต่ว่ามันประณีตเป็นลําดับลําดับในเบื้องต้นมีปีติแล้วทําให้มันเหมือนน้ากระเพื่อมน้ํากระเพื่อมก็ยังดูไม่ชัด พอปีติดับไปมีความสุขนะเหมือนน้านิ่งๆนะแต่ไหลนิ่งๆไหลแบบไม่กระเพื่อมไหลไปเรื่อยๆก็ยังไม่ชัดนะตรงที่มันเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยพ้นจากความสุขไปตรงนี้ชัดที่สุดเลยรู้สึกมันจะเป็นเริ่มชัดมาชั้น3นะครับชั้นชั้นชั้นที่หนึ่งเริ่มเห็นคชั้นที่สองดีขึ้นเพราะว่าปีติมันดับไปในชั้นที่สามปีติมันดับไปมันไม่กระเพื่อมเหมือนดู อะไรอย่างหนึ่งตกอยู่ในตุ่มน้ำนะ <c oughs> น้ําก็เพิ่มกระเพิ่มเนี่ยดูไม่เห็ น, นะเห็นแต่ลางๆจับไม่ถูกต้องแต่ยังบางทีน้ําไม่กระเพื่อมแรงเหมือนน้าในลำลำห้วยลําทาน <c oughs> น้ําไห ล, ลรินไปนะ <c oughs> แต่ก็ยังมีการไหลอยู่การไหลอยู่เหมือนอย่างจิตซึ่งยังมีความสุขอยู่มันก็ยังบังเหมือนกันแต่ตอนนี้น <ะ S 1> มันเป็นทัดสุดขีดตรง <c oughs> ที่ฌานที่สี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาท่านภาวนาท่านเลยเล่นฌานหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม ชาน4ีแล้วเนี่ยน้อมน้อมน้อมจิตไปสู่ญานทัศน์เอาไปเห็นไปรู้ครับตอนนี้มันรู้สึกว่าชานหนึ่งชันสองเนี่ยมันจะข้ามเร็วมากเลยฮะไปก็ไปอยู่ไปอยูทิษะบางทีไม่ได้จับด้วยซ้าก็มันผ่านไปเลยครับมันผ่านอยู่ที่สติปัญญาเหล่านี้แหละครับดีแล้วดีแล้วทีนี้เอออยากจะเรียนถามอีกอันหนึ่งว่าถ้าหากว่ายังยังจิตผู้รู้ที่ไปที่ไปดู สภาวะดับไปอย่างเนี้ยอันนี้เขาเป็นเขาเองนะฮะก็เป็นเองอันนั้นเป็นวิปัสสนานะฮะเป็นแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่เนี่ยสมมติว่าไปตั้งใจดูเขาอันนั้นเป็นสมถะใช่ไหมครับตั้งใจดูใช้ไม่ได้หรอกฟุบซ่านทําขึ้นมานะทําขึ้นมานะครับผมเรานั้นจิตที่เดินวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นมหากรุสลจิตญาสัมพยุทธ์ที่ประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกกรรมไม่ได้เจตนาให้เกิดครับสติสมาธิมันเกิดเองครับสติระลึกรู้อย่างเห็นสภาวะธรรมไหลผ่านไป สติราึรูร้สัมมาสมาธิก็คือใจมันตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ไม่กระโจนลงไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกสิ่งนี้ไม่มีตัวเรารรมีแต่ปรากฏการแต่ไม่มีเจ้าของดีนะเอาต่อไปเดี๋ยวหลองข้อขอตรวจกันบ้านพวกมหิดลหน่อยเอาคุณหมูส่งมามีกี่คนรอบนี้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 ต้องปล่อยนะปล่อยการกำหนดออกไปสติแปลว่าความระลึกได้เพราะันเราระลึกไปไดืงั้นเบื้องต้นอย่างตอนนี้รู้ไหมตั้งใจฟังไม่ได้ฟังจริงหรอกฟังแล้วก็แอบไปคิดรู้สึกไหมเห็นไหมมีการรอฟังเป็นระยะระยะอจะพูดยังจะคอยจำให้รู้ทันการทำงานของจิตไปเอยอ้าวหน่อยๆนอย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 พอตามดูไปค่ะพอเห็นมันคิดมันฟังมันอะไรเงี้ยค่ะรั้นรู้สึกเหนื่อยเหน่อยตอนหัดใหม่ๆนะที่จะรู้สึกตัวเนี่ยเหนื่อยหลงหลงไปแล้วเพลินไม่เหนื่อยะแต่กลับข้างกันนะพอรู้สึกตัวเป็นชำนี้ชํานาลแล้วหลงหลงเนี่ยมันเหนื่อยนะรู้สึกตัวนะ่าสบายมีความสุขคล้ายๆเราหัดขับรถนะ่ะหัดขับรถที่แรกขับยังไม่เป็นนะเดินสบายกว่าขับรถอีก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 อินแรงแล้วต้องฉันน้าก่อนครับใครจะยกมือตอบไปเขายกแล้วเขายืดหม่ไว้ด้วยคนนี้ฉลาดครับการหลวงพ่อครับเมื่อเดือนที่แล้วผมมีโทรศาสติดมาแล้วหลวงพ่อก็ให้การบ้านไปเพราะผมอัดซ้ Focus. ําลงไปอีกพอหลังจากนั hm? ้นมาก็เห็นโทรศาสเกิดขึ้นได้ชัดเจนบ่อยๆครับก็มาขอรับการบ้านกลับไปทาต่อกันทาอย่างนั้นแหละนะ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 คุณสังเกตไหมพอคุณบังคับน้อยลงจิตใจของคุณก็เริ่มเคลื่อนไหวเห็น ไ, ไหมกิเลสเกิดบ่อยๆนะไม่ใช่ว่ามีแต่ความนิ่งความสุขความสงบนะมีแต่กิเลสเกิดบ๊อบแวบบ๊บแวบไปได้ตามดูอย่างนั้นแหละแล้วตอนนี้ผ ม, มดูไม่ออกว่าผมประคองไว้หรือเปล่าเ<ร>วลา ป, ประคองอยู่นิดนึงนะประคองเบาๆเนี่ยรู้สึกไหมมีการแทรกแซง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 คำว่าโลกนะก็คือรูป ก, กัะ น, นามขันห้ากายกับใจเป็นโลกมันโลกมันทุกข์นะโลกของพระอราหันต์คือกายกับใจคือขันห้าของพระอราหารันตก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่ท่านไม่ยึดถือจิตมันพ้นโลกแต่ตอนนี้จิตเราคลุกกบโลกเราก็ยังทุกกับโลกไปด้วยให้รู้ไปด้วยครับขออีกคําถาม น, นึงครับคือถ้าเกิดทําอะไรแล้วเห็นจิตมันไหลแวบๆไป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 เขาชวนคุยหรืออะไรมันก็จะกลับเข้ามาเป็นพักๆเมื่อกี้พอไม่จะวิ่งมาก็เห็นเห็นชัดเจนมากขึ้นเห็นตัวโลกว่าเลินละเลินละรูะร้สึกไหม <c ười> คุยไปแล้วเพลินขอคําแนะนําของพ่อต่อไปรู้ไปเรื่อยรู้อย่างเป็นกลางน ะ, จะเจริญก็รู้ไปเสื่อมก็รู้ไปจเจริญแล้ว ย, ยินดีก็รู้ทันเสื่อมแล้ว ย, ยินร้ายก็รู้ทันในที่สุดเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนะด้วยความเป็นกลางพ้นจากความยินดียินร้าย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 ที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะอีอาไปเชิญกลับบ้านไป